คันของหญิงหมันแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำและไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วเนะครับเมื่อวานนี้ได้อธิบายไปนะครับว่าปริงมีลูกตัวเมียสองตัวร้องว่าให้ฉันให้ฉันความไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอหรือที่เรียกว่าความโลภภาษาอังกฤษใช้คาว่า gr d e e d gr ิ d ความโลภหรือราคะตัณหาหรือความอยากได้ในพระมรมพีได้เฉลยมาในปลายข้อที่บ้าบอกว่ามีสามสิ่งที่ไม่เคยอิ่มสี่สิ่งที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วไม่เคยอิ่มไม่เคยพอนี่คือการเกินนำโดยยกปริงมาเป็นตัวอย่างครับพี่นะครับในวันนี้เราจะดูครับว่าสี่สิ่ง ที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วคืออะไรประการแรกก็คือแดนคนตายที่สองคือคันของหญิงหมันที่สามคือแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำที่สี่คือไฟที่ไม่เคยพูดว่าพอแล้วเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวถึงคำว่าคอนเทนต์ซึ่งแปลว่าความพอใจดิสคอนเทนต์แปลว่าความไม่พอใจ ความไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวและพระกัมพีก็ยกถึงเป็นตัวอย่าง4อย่างครับที่ได้กล่าวมาแล้วพี่น้องครับคนที่ไม่พอใจชอบเทียบสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับคนไม่พอใจไม่เคยมีความสุขบางครั้งเขาก็อยากจะได้เงินบางครั้งเขาก็อยากจะได้ส่วนแบ่ง บางครั้งเขาก็อยากจะได้เกียรติยศสง่าราศีบางครั้งเขาก็ได้อยากจะได้ที่คนอื่นเขาไม่อยากได้แต่เขาอยากได้เพราะว่าเขาเป็นคนอยากได้ครับพี่น้องครับเราเห็นว่าสามีที่นอกใจแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยแล้วแต่เนื่องจากเขาอยากได้เปรียบเทียบนั้นตัญหาของเขานั้นก็ทําให้เขาต้องการภรรยาของผู้อื่นบ้างต้องการผู้หญิงคนอื่นบ้าง พี่น้องครับความโลภและความไม่พอใจนั้นเป็นบาปครับน่าเกลียดน่าชังนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิเสธเป็นเรื่องที่เราจะต้องพึงพอใจและอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานภรรยาที่ดีประทานสามีที่ดีประทานคุณพ่อคุณแม่ที่ดีประทานลูกที่ดีพระเจ้าประทานสิ่งดีในชีวิต แม้ว่าณเวลานี้เราอาจจะยังไม่เห็นสิ่งดีนั้นว่าดียังไงพี่น้องครับเรามาดูกันนะครับว่าแดนคนตายนั้นหรือที่แปลว่าหลุมฝังศพนั้นมีความหมายที่ว่ามันไม่เคยพอเพราะเนื่องจากว่าสุสานหรือหลุมฝังศพนั้นจะมีที่สำหรับทุกคนเสมอและมันไม่เคยพอจริงๆครับประการที่สองคือคันของหญิงมันก็จะไม่เคยพอเหมือนกัน ผู้หญิงในวันนี้นะครับมีอิสระเสรีที่จะไม่อยากมีลูกแต่ในสมัยก่อนครับเราจะเห็นว่าการที่ผู้หญิงมีลูกนั้นเป็นเกียรตยิยศเป็นสง่าราศีของเขาผู้หญิงที่มีลูกมากนั้นถือว่าเป็นเกียรติครับลูกนั้นเป็นสง่าราศีของพวกเธอเพราะฉะนั้นคันของหญิงหมันก็อยากจะมีลูกอยู่มากๆนะครับ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราเห็นว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นมีลูกหลานของผู้หญิงเยอะแยะมากมายครับบางครอบครัวนั้นมีหลายคนเลยทีเดียวนี่คือคันของหญิงหมันครับประการที่สามคือแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ำเราอ่าน จ, จะเข้าใจง่ายครับเพราะว่าเราคนไทยนั้นมีดินที่อุ้มน้ากับดินที่ไม่อุ้มน้าพี่น้องครับดินที่ไม่อุ้มน้านั้นก็ เป็นดินทางภาคอีสานเป็นดินทรายฝนตกเท่าไหร่ครับมันก็จะแห้งหมดในเวลาอันสั้นแผ่นดินโลกที่ไม่อิ่มน้ํานั้นต้องการน้ําอยู่ตลอดเวลาต้องการตลอดเวลามีความไม่พอใจอยากจะได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะอิ่มน้ําสุดท้ายครับก็คือไฟครับตราบใดที่สามารถหาวัสดุที่ติดไฟเป็นเชื้อเพลิงได้ไฟมันก็ เผาไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆมันไม่เคยอิ่มครับเพราะว่าเชื้อเพลิงนั้นมันจะหมดเพราะฉะนั้นเราอยากให้ไฟติดเหรอเราก็ต้องมีเชื้อเพลิงไปหล่อเลี้ยงมันไม่ว่าจะเป็นฟืนเป็นถ่านเป็นแกส๊สเป็นน้ํามันไฟจะไม่เคยพอเช่นเดียวกัน4สิ่งนี้ครับไม่เคยพอและมีความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอพี่น้องครับเราจะต้องเรียนรู้ ที่จะพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยวาว์ยิเร็ศครับพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมและพระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับเราอย่างพอเพียงเสมอคําว่าพอเพียงนั้นก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าได้กล่าวถึงความพอเพียงเราทั้งหลายคงทราบดีพี่น้องครับ เมื่อพระเจ้าประทานให้กับเราพระองค์ทรงรู้ว่าในสภาวะต่างๆพระองค์ทรงความสัพพันญูที่จะรู้ล่วงหน้าและพระองค์ทรงมีความรักความเมตตาพี่น้องครับพระองค์จะไม่เอาก้อนหินเมื่อเราขอกินขนมปังพระองค์จะไม่เอางูมาให้เมื่อเราขอกินปลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พระเยซูได้สอนเราให้เรามั่นใจในการเลี้ยงดูจากพระเจ้าในขณะเดียวกันครับ เราก็จะพึงพอใจในการเลี้ยงดูของพระองค์เพราะว่าเส้นผมสักเส้นจะไม่ตกถึงดินหากว่าพระเจ้าไม่อนุญาตพระองค์ทรงนับและเก็บน้ำตาของเราทุกหยดใส่ขวดไว้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นความพึงพอใจนะครับจะนำไปสู่ความสุขและเ ป, เป็นเรื่องง่ายที่เราจะมีความพึงพอใจและเราต้องเลือกครับเราต้องเลือก มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เห็นความจริงเรื่องนี้เราจะทำไงกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการพึงพอใจนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งครับและเป็นการเรียนรู้เพื่อวิญญาณของเรานั้นที่เคยขมขมขื่นจะกลับเป็นหวานชื่นนะครับและก็ทำให้พระเจ้านั้นประจักษ์ชัดเจนในชีวิตของเรามากขึ้นพี่น้องครับ เราจะต้องอย่าลืมหนึ่งทีโมธีบทที่6กข้อที่หนะครับเราได้พระเจ้าเรามีความชอบธรรมและเราพึงพอใจด้วยพี่น้องครับเราพอใจไหมครับสำหรับชีวิตของเราในทุกวันนี้หรือเรากำลังผิดหวังอยู่นะครับอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราผิดหวังเรามีความรู้สึกไม่พอหรือเปล่าเรามีความรู้สึกอยากได้มากกว่านี้หรือเปล่าเรามีความรู้สึกที่จะอยากจะมีชื่อเสียง หรือเราอยากจะมีอะไรหลายอย่างที่เราปกปิดไว้หรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้าให้เรามากครับและพระเจ้าให้เราพอเพียงเสมอและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้เรามากขึ้นกว่านี้อีกและคำว่ามากขึ้นนี้ก็คือคาว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์พี่น้องครับอย่าให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นแดนคนตายจะเหมือนกับคันของหญิงหมัน จะเหมือนกับแผ่นดินโลกที่ไม่มีน้ำและจะเหมือนกับไฟที่ไม่เคยพออาเมน